ชมรมพุทธคุณขอน้อนมนำสารธรรมอันทรงคุณค่าชุดไขปัญหาเปิดปัญญาในประเด็นคำถามที่ทุกท่านไม่ควรพลาดค่ะบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์สมทบปรกโมสารธรรมอันทรงคุณค่านี้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่สงสัยใครรู้ในปัญหาธรรม อาทิเช่นจะวางจิตยอย่างไรเมื่อภัยซึนามิมาถึงจะปิดตาพ่อแม่อย่างไรในวันสุดท้ายของท่านกรรมฐานที่เหมาะสมกับคนยุคนี้ลำดับการเจริญทานศีลเพื่อเข้าสู่วิปัสสนามีหรือไม่การเจริญอาณาปานสติ เหมาะสมกับบุคคลใดการเจริญศีลานุสติจากานุสติจะเป็นบาดเป็นฐานนำไปสู่การเจริญวิปัสสนาได้หรือไม่ลำดับการเจริญอนุสติแล้วยกจิตขึ้นสู่การพิจรารณาไตรลักษณ์และยังมีสารธรรมอันทรงคุณค่าอื่นๆอีกมากมาย ชมรมพุทธคุณขอน้อมนำซีดีแผ่นนี้มอบให้กับทุกท่านเพื่อประโยชน์ในการทำให้แจ้งซึ่งปัญหาที่ค้างคาใจอยู่คงจะตรงใจกับใครผู้ใดบ้างและจะเป็นโอกาสก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนำไปสู่หนทาง แห่งการหลุดพ้นได้ในที่สุดค่ะ